คงพอทบทวนนะว่าทุกคืออะไรมัง่งชาติทุก์ก่อนนะชาติทุกชาราทุกพยาธิทุกแล้วก็มรณะทุก น, นะชาติชารามรณะเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีขึ้นแล้วทำให้เกิดอะไรโศกะเศร้าโศกนะ ปริเทวะทุกกายทุกขะโทมนัสก็คือเสียใจเ น, นี่ยนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายะถามทำไมเราจึงต้องโสกะปริเทวะทุกโทมนัสละ่ะเพราะวิปโยกบ้างวิปโยกก็พลัดพรากใช่ั้ยวิปโยก็เพราะพราดพลากับ สัมประโยคสัมประโยคก็คือประจบนะวิประโยกพลาดพราดจากของรักสัมประโยคประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเห็นไหมทั้งหมดนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากปรารถนาปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจเนืกก่อเป็นทุกข์นะนะเพราะฉะนั้นก็เกิดจากความปรารถนา เพราะความปรารถนานี่แหละจึงทำให้สัมประโยคกับวิปประโยคนะที่สัมประโยควิปประโยคเพราะมันมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตทุกโทมนัตทั้งหมดเหล่านี้คืออะไรก็ต้นเหตุมาจากชาติชาราพยาธิมรณะนะก็เขียนขึ้นซ้อนๆในลักษณะนี้ก็ได้ทั้งหมดนั้น่ะนะทุกทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วคืออะไรคือขันห้า อ, นนะอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุก อุปาทานขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเ น, านี่ยรูปเวทนาก็เป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยที่สุดแม่ครูไปขึ้วันละกี่รอบนี ไมนะ อ, อ๋อคิดตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่มีทุกข์อ๋อคิดก่อนนอนซะหน่อยนึ่งนะนะเป็นยากระใสอ๋อตอนไม่สบายก็คิดอยู่บ้างอ๋อคิดอะไรคิดว่าเออเมื่อไหรเขาจะมาเยี่ยมเมื่อไร่โรคมันจะหายไม่ใช่เน้อนั่น <laughs> อ๋อ ทีนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะคือทุกขสัต์ผมนะทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยคือทุกขสัต์จะการกล่าวแบบนี้เป็นการกล่าวแบบผู้ที่เขาทำปริญญาคือถ้ามองว่าคือตัวขันห้าเนี่ยนะถ้าสับขันห้าเนี่ยเป็นอะไรปริญญาเ ป, เ, เป็นยาตะปริญญาในตัวแล้วเนี่ยนะ การกล่าวว่าชาติชารามรณะชาติชยาชาติชาราพญาทมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตวิปโยคสามปโยคปรารถนาไม่สมหวังนะพวกนี้เป็นตีรณะปริญญาคือคำว่าปริญญาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรชื่อของปัญญา ปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นว่านั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็อันนี้เท่ากับเราเรียนเราเรียนธรรมมาตั้งยี่สิบบัพพะแล้วใช่ไหมเรียนมายี่สิบบัภพะแล้วเนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่ารูปเนี่ยบสีบับพะเนี่ยเข้ามาแล้วใช่กายานุปัสนา14บสีบัพพะก็เท่ากับแสดงแล้ว เวทนาเวทนา9ก้าก็แสดงแล้วสัญญาสังขารก็คือนิวรบัพระอะไรโพชฌงบัพระส่วนวิญญาณก็จิตส6ก็เท่ากับแสดงแล้วนะั้นปัญญาที่เข้าไปรอบรู้ในขันห้าเป็นยาตะปริญญาแล้วสามารถพิจารณาขันห้าว่า เป็นไปกับชาติชรามรณาโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาเป็นติรณะปริญญาถามง่ายๆว่าถ้าเราเอาแต่คิดแต่อย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคิดไหมว่าเราจะตัดฉันธราคาในขันธ์ห้าได้เชื่อไหมว่าว่าตัดฉั้นธราคะในขันธ์ห้าได้แน่โดยเหตุผลเนี่ยเรายอมรับแต่เราไม่ไม่เชื่อพอที่จะไปทำอย่างนั้นหรอกใช่ไหมคุณโน ยอมรับนะถ้าเออถ้าคิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยละละตันหาเนี่ยแต่ยังไม่เชื่อว่าไม่เชื่อพอที่จะไปคิดตามนั้นจริงๆมันอีกขั้นหนึ่งเงทีนี้มาดูนะว่าอตัวทุกข์เหล่าเนี้ตอนที่เราฟังอย่างนี้เราจะบอกมันน่ารังเกียจมันมันอย่างงั้นอย่างนี้นะแต่จริงๆอิงเชื่อไหมเรากระหายสิ่งเหล่านี้ที่สุดด้วย ต้องการขันท้าเนี่ยที่สุดเลยแหละอย่างเช่นรูปประคันเนี่ยถ้าแสดงออกมาคืออะไรก็คือตาหูจมูกเลนส์กายก็คือรูปประคันใช่ไรูปเสียงกล่นรสพทธพะพวกนี้ก็คือรูป ก็เป็นอยู่ในส่วนของรูปปัจขันเพราะปยรูปสาตรูปทั้งหกสิบก็คืออะไรก็คือขันห้านั่นแหละไม่ได้พ้นขันห้าหรอกที่มาขยายเป็นปยรูปสาตรูปนั้นก็คือเอาขันห้านั่นแหละมาขยายว่าเราเนี่ยตอนแรกนะเราก็บอกว่าเออขันห้ามันเป็นตัวทุกไหมใครแยกไปแยกมาเออใช่เราชอบจริงๆๆเพราะฉะนั้นวัตถุ ท, ที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งทุกก็คือตัวทุกข เราก็ไปชอบในวัตถุคือทุกอันนั้นก็เลยไม่พ้นจากทุกขคือหลักการก็มีอยู่ว่าผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกพันธนาเวลาชอบก็ชอบในในตัวทุกนั่นแหละนนสรุปว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเป็นรูป ธรรมะบางส่วนนะธรรมะบางส่วนก็เป็นรูปส่วนเวทนาคืออะไรคือจักขู่สัมผัสชาเวทนาก็เท่ากับเวทนา6เนี่ยนะสัญญาคืออะไรสัญญาหวิญญาณคือวิญญาณ6ส่วนสังขารได้แก่ภาษะ6เนี่ยนะเจตนาห ตันหาตันหาหกวิตกหกวิจารหกนั่นนะพวกนี้ก็คือคือขันห้านั่นนะผัสสะเจตนาตันหาวิตกวิจารก็เป็นสังขารขันทัานถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยนะปิยรูปสาตรูปทั้งหกสิบนั้นะ่ะก็คือตัว ขันท่าหรือตัวชาติชรามรณะเป็นต้นนั่นแหละเพราะเราเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ความความเพลิดเพลินในทุกนั่นแหละจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่ร่ําไปมันก็ของเราก็เบื่อไม่ค่อยจริงถ้าเบื่อจริงนียก็ยังไงมันก็พ้นทุกข์อยู่แล้วนะแต่ปัญหาก็คือถขาบอกว่ารังเกียจแผ่นดินแต่จะไปหาแผ่นดินใหม่เบื่อเหลือเกินแผ่นดินนี้ไปหาแผ่นดินใหม่ดีกว่า ได้แผ่นดินอันใหม่บอกเบอแล้วก็ไปหาใหม่ต่อไปเรื่อยอย่างนี้เลยรูปตัวน uh, ั้นเนี่ยแปลว่าสภาวะใช่ก็ก็เรียนท่ากระถามาแล้วนี่ก็แบบแบบนั้นแหละแต่รูปตัวนี้แปลว่าสภาวะ ปยรูปสภาวะรปรูปสารูปมอนนะรูปตัวนั้นแปลว่าสภาวะไม่ได้แปลว่ารูปปณะตัวที่เป็นรูปปณะลักษณะนั่นแหละคือรูปประคันแต่รูปรูปโดยรูปศัพว่ารูปใช้เฉยแปลได้เยอะมากหมายถึงรูปประชานก็ได้หมายถึงวันณะคือสีก็ได้หมายถึงอันเนี้ยสภาวะก็ได้หมายถึงฌานก็ได้เช่นรูปประชาน หรือหมายถึงอารมณ์ของฌานก็ได้ผู้มีรูปเห็นรูปอย่างเงี้ยรูปตัวนั้นหมายถึงกะสินอย่างเงี้ยเานคำว่ารูปเนี่ยกว้างขวางมากแต่ในที่นี้รูปแปลว่าสภาวะเนี่ยนะสภาวะที่น่าปรารถนาหน้าพอใจก่อนนี้ผมศึกษาธรรมะใหม่ๆนะพอสนใจอริยสัจสีอยู่คนเดียวครับ ก็ไม่ควายมีใครก็สนใจเท่าไหร่นะในกลุ่มกลุ่มผมเก่าก็ก็เข้าใจว่าเพาะเลียงหนักมาทางพระวิธรรมใช่ไหมฮะว่าเออทุกข์ษัตรินะมันได้แก่จิตแปดสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าสิบเอ็ดเบ้นปัญหาเมรธนาแล้วก็รูปยี่สิบแปดอกเออนี่แหละเป็นทุกข์ัตริย์เพราะนี่มันคืออุปาทานขันเนื้ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกสัตว์จะต้องเป็นธรรมะที่จะต้องกำหนดรอบรู้คือทาปริญญานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่จะต้องมาทำปริญญาหมดนะแต่พอเรามาเรียนในพระสูตรนี่เราจะเห็นว่าเรารู้หยาบเกินไปเพราะว่าในสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยทั้งจิตปดสิบเอดทั้งเจตสิกห้าสิบเอ็ดทั้งรูปยี่บแปดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่จําเป็นต้องไปทําปริญญาหมดอย่างนั้นหรอกผมผมนึกในใจนะฮะเพราะว่าบางตัวเนี่ย <Okay. S 1> เช่นประเภททุกทั้งหลายโทสะทั้งหลายอะพวกนี้เนี่ยนะฮะไอพวกนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยไปติดมันในข้องมันหรอกพอเรามาเห็นปีรรูปสารรูปอันนี้เรารู้เราเข้าใจเลยว่าท่านทําให้เห็นว่าสิงเหล่านี้ตั้งหาที่เราเข้าไปมีทุกคน ต, ต่อการเข้าไปมีอุปาทานมากที่สุด ถ้าอันนี้ได้ทำปริญญาสําเร็จหรือว่าทํารอบรู้สําเร็จก็ดีนี่นะครับอันนั้นไม่มีปัญหาเลยถูกไหมครับเราก็ไม่ได้ชอบมันอยู่แล้วนะอันนั้นก็ไม่ได้ชอบมัน<ช>อยู่แล้วไม่ชอบมันอยู่แล้วเสีสยใ จ, ใจความทุกข์ความดทรมเรื่องไรคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยู่แล้ว ทบทวนในครั้งหนึ่งนะว่าถ้าผู้มีสติจริงๆเนี่ยนะผู้มีสติจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเวทนาสัญญาภาษะเจตนาตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะคือตัวชาติชาามรณะเป็นต้นนะดังที่ที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมตัวนั่นแหละคือตัวชาติตัวชาราตัวมรณะเนี่ยนะนี่เมื่อเมื่อเราแยกแยะอย่างนี้ว่าขันหัก พอขยายไปแล้วคือปยรูปสาตรูปปยรูปสาตรูปย่อลงมาก็คือขันห้าถ้าทำตรีระปริญญามากๆก็จะเห็นว่าอันะปรูปสาตรูปหรือขันห้าคือตัวชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตวิปโยคก็เนี่ยเช่นวิปโยกก็เพราะไม่ได้เจอของดีๆสัมปโยกเพราะไปเจอของเลวเนี่ย ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็ปรารถนาของดีแล้วมันไม่ค่อยดังใจคิดนะนะสรุปว่ารวมๆก็ปรารถนาขันท้านั่นแหละ <c oughs> พันพวกนี้จึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจในในโลกเนี่ยนะก็โลกถ้าถ้าจะเริ่มแบ่งนะบอกว่าในบรรดาสิ่งที่เราชอบที่สุดในเรื่องของรูปก็คือชอบตาเราก่อนในโลกที่เราลืมตาทั้งหมดเลยนะ เราชอบตามมากที่สุดเนี่ยนะเราชอบตามมากที่สุดเลยนะเริ่มแร ก, ก น, นะถ้าเอาแบบง่ายๆเห็นๆก่อนเนี่ยลืมตาปึ๊บเนี่ยสิ่งที่เราพอใจที่สุดคือตาสีนั้นจะน่ารังเกียจบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เหลือตาเอาไว้เถอะนะเราชอบตามมากที่สุดเลยนะก็ถ้าที่ก็บอกว่าอา้าวเราก็เราเห็นคนเขาสวยไงเราจึงชอบสวยอะ่ะชอบความสวยชอบสีที่สวย ก็ลองเราตาบอดอยู่นะเราต้องการไ้่แหลความสวยอันนั้นเพราะว่าพราะเรามีตาเนี่แหละจึงต้องการความสวยมาประดับ <c oughs> ประดับตาว่าง น, <c oughs> น, นั้นนะอาหารของตาอาหารของตานะก็เนื่องจากมีตาก่อนนั่นแหละจึงเริ่มไปใฝ่ใจในความความสวยความความอะไรทั้งหลายแหละในเกี่ยวกับเรื่องสีทั้งหลายสมมตินะถ้าถ้าเราตาบอดอย่างเดียวเนี่ยถามเราสนใจเพชรไห คิดว่าเราจะสนใจไหมตาบอดไม่เอาอ่ะนะเอาให้ปูนอนไม่เอาเหลียมเรียมเนี่ยนะปูนอนเลยที่นอนเพชรเลยนะเหยียบแต่เพชรเนี่ยก็ไม่ข้ต่างอะไรจากหินจากกรวดอะไรเลยนะไม่มีความต่างเลยเพราะนั่นพวกสีทั้งหมดที่ถ้าว่าไปที่เราต้องการเพราะประดับตาของเรานั่นแหละนะแล้วก็ตาเนี่ยเราเร า, เราหวงจนขนาดว่เาเอาใครเอามือมาบังบงตาเลย ถ้าเป็นเนี่ยนะไม่คุ้นเคยกันเอามือมาบังตาเนี่ยทะเลาะกันเรื่องใหญ่มากอนนะถ้าเกี่ยวกับโลกทางทวารหูเนี่ยนะรูปที่เราติดที่สุดนะในทวารหูเราก็ติดในในหูที่สุดเลยถ้าเทียบกับเสียงสารพัดเสียงนะเราห่วงแหนหูที่สุดนนะในโลกของกลิ่นสารพัดกลิ่นที่มีอยู่ในโลกทวารจมูกเ ร, เราติดจมูกมากที่สุดแล้วก็ อาหารเนี่ยเราจะตัดทิ้งสักมือสองมือก็ได้ใช่ไหมตัดลิ้นไหมไม่ยอมห่วงไว้ก่อนนั้นเรารักลิ้นมากเสนะื้อผ้าตัวไหนบางทีเราก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะแต่เรารักกายมากนะนะติดข้องในกายตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ถ้าเป็นส่วนของนามธรรมานามธรรมา ท, ทั้งหมดที่เรายึดเนียยึดใจ นนะเรายึดใจมากที่สุดนะในบรรา น, นามาธรรมเพราะว่าสังขารตัวเจตสิกเนี่ยนะบางครั้งเราก็ยึดบ้างบางครั้งเราก็ไม่ยึดบ้างยึดเป็นครั้งคราวแต่ว่ายังไงก็ต้องให้มีใจเอาไว้ก่อนนะใจเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นประธานของเจตสิกทุกชนิดนะนะบางครั้งเจตสิกนั้นๆไม่มีก็ไม่เป็นไรขอให้มีใจเอาไว้ก่อนนะก็ห่วงแหนนำโลกของนามธรรมเรายึดใจมากที่สุด แต่เนื่องจากเรามีตานั่นแหละเราก็เลยเอาหาสีมาประดับตาใช่หมก็เลยชอบไปอื่นๆไปอีกนะเขาก็มีตามลำดับมาเพราะเราติดข้องในตาจึงหาสนะีถ้าบ้านก็ต้องสีแบบนี้เนะนะนะถ้าเสื้อผ้าเราต้องลายแบบนี้นะอย่างเงี้ยนะก็เพราะเรามีตาใช่ไหเพราะเรามีตาเราก็เริ่ม สแสวงหาสีและ ว, วิวต้องเป็นแบบนี้เนินต้องตรงนั้นต้องเห็นอันนั้นนะต้องดูอันนี้ต้องไปวเรื่องมากเลยนะเพราะตาอันเดียวเนี่ยแต่ถ้าเราตาบอดสะอย่างเดียวเนี่ยนะปัญหาที่เขามีมีอยู่นะเราไม่มีกับเขาด้วยหรอกอะนะก็เพราะมีหูเราจึงสแสวงหาเสียงะนะสารพัดเสียงนะเออถ้า วินิจฉายและเสียงต้องเป็นเสียงแบบนั้นเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้เราจะโสมนัสเสียงแบบนั้นเราโทมนัสว่ามีจมูกก็สนใจกลิ่นมากมีลิ้นเนี่ยก็ตอนแรกนะถ้ามีลิ้นนะตอนแรกก็ขอให้มันมีรสได้ได้ไหมทานทานก็เอาแล้วนะพอนานๆเข้านะัตตันหามไม่ยอมนะมันเลือกรสน้าดูเลยเพราะฉะนั้นก็สแสวงหารสไปเรื่อยสแสวงหาโพธภพ แล้วก็พอมีความคิดนะสแสวงหาเรื่องที่มันรองรับความคิดได้อะมันคิดไปเรื่อยๆนะก็สแสวงหาอารมณ์ที่ใจคิดเรียกว่าธรรมอารมณ์นะคือที่ไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิน่นถ้าตาก็มีสีก็มีอย่างเงี้ยนะถ้าไม่เห็นเราเอ า, เอาไหมเขาบอกว่าให้ใ ห, ให้ให้มีตาแหละสีตรงนั้นก็มีนะ แต่ไม่ต้องเห็นเอาไหมเพราะฉะนั้นจึงจักคูวิ ญ, ญญาณเราจึงรักเป็นลำดับต่อมาเรารักจักคูวิ ญ, ญญาณเนี่ยนะเป็นลำดับต่อมาคือดูเหมือนว่าเราไม่ติดในจักรคูวิ ญ, ญญาณนะถ้าถ้าแบบแบบใครธรรมดาทั่วๆไปเรียนธรรมะแล้วไม่ค่อยมาเอามาไครครวนนะเช่นว่าตามีสีมีแต่ไม่ยอมให้เราดูเนี่ยนะโอ้โหเสียใจมากเลยนะ แล้วก็รักห่วงแหนถึงขนาดว่าถ้าจะต้องจ่ายเพื่อให้จากคุูวิญญาณเกิดเนี่ยนะเท่าไหร่ก็ยอมหูมีเสียงมีแต่ว่าสิ่งที่จำปรารถนาอีกก็คือโสตะวิญญาณคือกูตัวได้ยินเนี่ยนะเราติดข้องมากเลยจมูกมีกลิ่นมีสิ่งที่เราสนใจต่อมาก็คือ คาน่วิญญาณถ้าเราไม่ต้องการเกี่ยวกับคาน่วิญญาณนะเราก็ซื้อน้ําหอมมาแล้วก็พ ก, กไปใช้เฉยๆไม่ต้องมารูปมาต้องมาฉีดมาขนมาทาอะไรสักอย่าง น, นะก็เก็บไว้ใช้เฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้ได้รับคานะวิญญาณเนะีนะ่ยรสเราก็รักชิวหาวิญญาณมากอย่งเ้ยก็ซื้อไว้เขาให้แอปเปิลปลอมมาเนี่ยนะสนใจไหม เพราะจริงๆเราต้องการไอ้ตัวชิวหาวิญญาณเนี่ยมากถ้าซื้อแอมาให้แต่เขาไม่ยอมให้เปิดนี่ไงนะไม่ให้กายะวิญญาณเรารับรู้ในอารมณ์นั้น น, นนะก็ไม่เอาอีกนะเพราะฉะนั้นกายะวิญญาณก็ชอบเรื่องราวเนี่ยมีล่ละแต่ไม่ยอมให้เรารู้เนี่ยนะพอหมพอใจไหมไม่ชอบเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงรักไอ้มโนวิญญาณมาก ก็มีเรื่องราวมีอะไรทั้งหลายแหละเขาก็ไม่ยอมบอกเราเลยนะเราค่อนข้างจะยิ่งแบบผู้ปกครองเลยนะค่อนข้างมานะาสูงไหมน่าจะบอกเราสัหน่อยอย่างงี้ยก็มโนวิญญาณเนี่ยโหห่วงแหนมากผมนมีอายะตน้ไม่คก็เอาเอาก่อนนะนะถ้ารู้จะกล่าแล้วเรื่องพรหมรู้มันก็ยากนะทีนี้ 3อย่างเหล่านี้นะเมื่อประเกิดการประจวบกันเมื่อไหร่ประชุมกันเมื่อไหรเรียกว่าภัสสะนั่นนะผัสสะทางตาบ้างภัสสะทางนะถ้าหูเสียงโสตวิญญาณประชุมก็เรียกว่าโสตสัมผัสถ้าจมูกกลิ่นคานาวิญญาณประชุมการเรียกคานาสัมผัสถ้าลิ้นรสชิวหาวิญญาณประชุมการเรียกว่าชิวหาสัมผัสกายโพธภากายยะวิญญาณประชุมการเรียกว่ากายยสัมผัส ใจธรรมะมโนเกิดมโนวิญญาณนี่เรียกว่ามาโนสัมผัสผัสสะตัวนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันมันใหญ่จริงๆใหญ่ใหญ่มากเลยนะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยก็ตามีสีมีถ้าไม่ได้ผัสสะเอาไห ม, ไหมก็เหมือนกับว่าอะไรนะมีม่านมาบังอะแล้วเดินกันข้างๆกัน่ะนะแล้วไม่ยอมให้เห็นกันเนี่ยก็ไม่เอาใช่ คุยกันแต่ไม่ยอมมีเสียงอะไรอีกฝ่ายก็พูดอีกฝ่ายก็พูดแต่ไม่ยอมได้ยินกันอย่างเงี้ยนะก็ไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นภาษาเนี้สําคัญมากแล้วภาษะแต่ละครั้งเนี้ยหยุดอยู่แค่เท่านี้หรือไม่ภาษาเนี้นะเวทนาสามขึ้นเลยอะไรอันนี้ก็เวทนาสามเวทนาสามเวทนาสามเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามหมดเลยสีสีเดียวกันเนี้ยนะ ถามว่าเวทนาเนี่ยดูจากที่ไหนดูจากสีสีเดียวกันเนี่ยตอนที่เราเรียกว่ามันน่าปรารถนาถ้าน่าปรารถนาในความคิดของเราโสมนัสเวทนาถ้าสีเดียวกันนั้นนะ่ะถ้าบอกว่าไม่น่าปรารถนาสําหรับเราโทมนัสเวทนาสีเดียวกันนั่นแหละเราก็บางครั้งก็เฉยเฉยก็เป็นอุเบกขาเวทนา เหมือนอย่างว่าอเขาไปได้ของอย่างที่ไปเห็นของบางอย่างใช่ไหยราคามันถูกโอ้ดีใจมากเลยนะคว้านซื้อใหญ่เลยสมมตุตนะิสีบางอย่างอนะเห็นแนละ้วชอบมากราคาถูกซื้อเลยพอซื้อมาเสร็จอัน น, นสมมุติเห็นเสื้อนะอดูนะสีสวยยี่ห้อดีซื้อเลยดีใจมากถูกมากเจ้าพนาก็ได้เจ้าพนาเขาไปเที่ยวฟัง บังแม่สายเขาก็ไปเห็นนาฬิกายี่ห้อตูกตาถูกใจเขามากซื้อเลยโอ้โหตั้งห้าร้อยบาทปนั้นนี่นะไม่ได้นะในเมืองไทยพันกระ บ, บาทเชียวนะก็่างนั้นซื้อมาเลยห้ารอยบาทก็ดีใจมาก น, นะไอความที่เขาเนี่ยมีอัธยาศาัยช่างเขาก็มาถึงที่พักเขาก็แกะเลย <laughs> พ, อพอแกะเฟต์ก็บอกโทรมานัดเกินเลย ถูกก็โก้ทะยีห่อเฉยแต่ข้างในไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะก็ชิ้นเดียวกันเนี่ยพอประกอบมานะพอวันหลังใส่ก็อุเบกขาไม่ได้เหอไม่ได้คิดจะอวดอะไรอีกต่อไปอ่ะนะเพราะว่าก็รู้ว่าใสา่ของเก๋ใช่ไหม <c oughs> ก็ใส่ใส่ไปอย่างนั้นน่ะนี่หรือว่าไปซื้ออะไรที่ที่เรียกว่าไม่ใช่ทองเนี่ยนะแต่ว่าเห็นมันราคาถูกดีก็เลยดีใจมากที่ได้ซื้อนั้นขึ้นมา พอซื้อเสร็จตอนหลังรู้ว่ามันไม่ใช่ก็เสียใจแต่มันจำเป็นต้องออกงานบางอย่างก็ใส่ด้วย <c oughs> อุเบกขาเนี่ยนะสิ่งเดียวกันอีกตอนหนึ่งดีใจมากอีกตอนหนึ่งเสียใจมากอีกตอนหนึ่งก็เฉยๆเสียงเดียวกันก็เหมือนกันอย่างอย่างสมมตินะคำบางคำเนี่ยของคนคนเดียวกันนะว่าว่ารวมๆมันนะเอาโอ้ได้ยินเสียงเขาพูดว่ดีใจมากตอนหลังไอเสียงคนนะั้นมัดาเรา โทมานัตมากพอคุยเรื่องอื่นก็เฉยๆละ่ะเนี่ยนะอุเบคาเสียงก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมานัตโทมานัตอุเบขากลิ่นทั้งหลายเนี่ยนะก็เวทนาก็อ่านจากกลิ่นเนะเวทนาทางจมูกก็อ่านจากกลิ่นว่าเวทนาจะดีจะชั่วอยู่ที่กลิ่นนเวทนาทางลิ้นก็อ่านจากจากตัวรสเนี่ยนะ เวทนาทางโพธภะก็เอ่อเวทนาทางกายก็อ่านจากโพธพาภะเวทนาจาังใจก็อ่านจากธรรมร ม, มันเวทนาสามพวกนี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามพอมาแยกแบบนี้ปั๊บเราลืมชาติชรามรณะในสิ่งเหล่านี้เลยนะลืมหรือยังคุณนภาฮะอ๋อสาธุ ต้องมนศิการว่าเนี่ยคือตัวชาติชรามรณะตัวโสกกะปริเทวทุกโทมนัสเอาไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามใหม่ตอนวีผมคิดยังไงตอนจินจูแฟรครับดูว่าตอนกินจูแฟลักลิษ ท, ที่สุดก็หารถมาประดับลิน ตอนี้รถมันไม่ค่อยถูกใจกาแฟกลิ่นมันน้อยไปหน่อยคิวหาวิญญาณมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่โสมนัตันนั่นแหละครับก็กตอนแรกใช่ไมเห็นเขาหยิบแก้วนั้นมาให้ดีใจมากโสมนัตชิมแล้วมันไม่ถูกใจเลยโทรมนัทแต่จําเป็นต้องกินก็กินแบบสักแต่ว่ากินให้มันไยผ่านๆไปก่อนก็อุเบกขา ทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยผัสสะเนี่ยคือสิ่งที่ที่เป็นตัวปัญหาที่สุดเลยแล้วยังวันๆหนึ่งเนี่ยเราได้ผัสสะกี่ครั้งนะวันหนึ่งเนี่ยนะผัสสะเท่าไรหร่อ่าผัสสะทางตานี่เท่าไหร่ผัสสะทางหูมาเท่าไหร่ ภาษาทางจมูกไว้เท่าไหร่แล้วภาษาทางทางลิ้นคุณชูศรีรับมากี่รสแล้นี้เปรี้ยวหวานมันเค็มเจอผัดไทยคุณบุญชูก็ไปได้ทั้งหลายรสเลยโพธาภะล่ะเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนองศามก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมโพธาภะจากผ้าบ้างจากรสบ้างจากทั้งหลายแหล่ก็โพธาภะแล้ววันนี้คิดมากี่เรื่องแล้วมโนมโนสัมผัสเนี่ยนะ ภาษะหเหล่านี้นะทั้งกายะเออเพราไปจากขูสัมผัสโสตะคานะชิวหาสัมผัสแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสอันนะภาษะนะไล่มาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาส อันนี้ก็สุขทุกขอุเบคาเนี่ยนะบวกสัญญาไปเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเพราะภาษาอันเดียวเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาด้วยสัญญาอันนั้นก็ถือว่าได้ได้อะไรถ้าทางตาก็ได้รูปประสัญญาที่รับรูปประสัญญาที่ h i d i